บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่แห่งขันทปปร ะ, ะคือหมวดที่ว่าโดยขันทั้งห้าประการนั้นก็ถือว่าเป็นตัวชีวิตหรือเป็นที่รวมของสรรพสิง่งทั้งหลายในโลกนี้ที่บางครั้งพระวุธศาสนาใช้คำว่านำมาูปหรือรูปนำ เพราสิ่งตังางยในโลกมันก็มีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นรูปกับกลุ่มที่เป็นนามส่วนที่เป็นรูปนั้นคือส่วนที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งหากั้งตนเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกริมด้วยดินและถูกต้องด้วยกายส่วนที่เป็นนามนั้นคือส่วนที่บุคคลสามารถรู้ได้ด้วยใจเช่นพวกกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้ง สิ่งตนนี้เมื่อก่าวโดยรูปร่างก็ไม่มีรูปร่างแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่จิตของบุคคลทำให้รู้ลักษณะอาการของสิ่งเ่านั้นได้เพราะจิตจึงเป็นผู้รู้เพราะจิตก็เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาเหมือนกันคำสอนในทางาพุทธศาสนาจึงอยู่ในแวดวงของขันทั้งห้าประการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจะทรงสอนในในยา่าใด สนใหแล้วเนื่องจากขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งอุปการันคือความยึดมั่นหรือมั่นของคนทั้งหลายเป็นการยึดมั่นเดิมหน้าตัณหาว่าเป็นของเราบ้างรูหนาามาณะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างหน้าทิฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นบ้างจาจิตที่มีความยึดถือในลักษณะนี้ก็ให้เกิดการสําคัญมั่นหมายต้องการให้เป็นอย่างที่ตนอยากให้เป็น ไม่ต้องการเป็นในสิ่งที่ตนไม่ต้องการเป็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่อาจจะเป็นไปาตามที่ตนต้องการได้เพราะการท่งางๆนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นของเขาการเป็นอย่างนั้นของเขาจึงเป็นสภาวะธรรมคือธรรมะตามธรรมชาติธรรมดา ทีุ่เจ้าทรงแสดงว่าพระองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทางังขานทั้งหลายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นั่นเองพระองค์เพียงแต่มาค้นพบแล้วก็นำสิ่งเดล่านั้นมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่บุคคลทั้งหลายการคำสอนแนวขันห้าทารวบสอนในลักษณะนี้ก็จะเพ่งเรงไปที่กลุ่มของทุกขสัตย์ เคยบุคคลกำหนดใจยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยสภาพของการถ้าห้าประการเหล่านั้นตามกฎของพระไตรักษณ์หรือภาษามันในลักษณะแต่เกลักษณะที่เสมอเหมือนกันในสัรพสิ่งหรือสังขารทั้งหลายโดยการสอนพิจารณานั้นเนื่องจากจิตใจของบุคคลที่กำหนดหมายขันห้า จะมีการกําหนดหมายออกมาเป็นสองแนวที่กาหนดบาลีท่นานใช้คําว่าถือเอาโดยนิมิตและถือเอาโดยพยัญชนะคําว่าถือเอาโดยนิมิตก็คือรวบถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นเรือนเป็นคันเป็นรถอะไรต่ออะไรกำหนดหมายขึ้นโดยอํานาจของความรักและความจัง่งคือการกําหนดหมายนั้นก็เกิดขึ้นจากใจของบุคคล ไม่ใช่สิ่งตัวนั้นเป็นตัวกำหนดแต่ว่าใจของบุคคลเป็นตัวกาหนดครนี้เึิงสังเกตว่าในแง่ของความจริงที่เป็นจริงแล้วความสวยงามก็ดีความไพราะ ก, ก็ดีความอร่อยก็ดีหรือความหอมความน่าจับต้องก็ดีไม่มีลักษณะเป็นสากล คือไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยอมรับนักถือของบุคคลทั่วไปว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีความเป็นอย่างอื่นแต่ขึ้นดูกับจิตที่บุคคลไปกําหนดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของบุคคลนั้นมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดว่ามันเป็นแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเขามากําหนดหมายในลักษณะอื่นสิ่งนั้นสําหรับบุคคลนั้นก็เป็นอย่างนั้น แต่ทําให้เรามีความรู้สึกต่อคนในลักษณะต่างๆโดยเฉพาะเป็นโครงสร้างใหญ่เป็นความรู้สึกรักรู้สึกจังรู้สึกเฉยๆที่นําไปสู่เวทนาสาประการคือรักเมื่อประสบเข้าก็รู้สึกเป็นสุขแต่พลาดพลาดไปก็รู้สึกเป็นทุกข์จังเมื่อประสบเข้าก็รู้สึกเป็นทุกข์แต่พลาดพ ร, ราดไปก็รู้สึกเป็นสุข ส่วนที่เฉยๆนั้นไม่มีอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักตั้งการปรากฏของสิ่งเหล่านั้นและการจากไปของสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าจิตใจของบุคคลเฉยๆมาแต่เดิมมันเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็ออกมาในรูปของอทุกขกมสุขกับเวทนาคือไม่ถึงกับเป็นสุขหรือไม่ถึงกับเป็นทุกข์ลักษณะของจิตใจของบุคคลที่กําหนดอารมณ์ก็เป็นแบบนั้นก็นี้เพิงสังเกตว่า แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเป็นอรหันตสมาสุทธธัตเป็นเอกบุคคลในโลกซึ่งโลกไม่เคยสัมผัสมา ก, ก่อนเป็นเวลานาทไกลมากแต่คนร่วมสมัยกับพระองค์ที่พบเห็นพระรู้เกียรติคุณความดีต่างๆของพระองค์ที่แพร่กระจายไปโดยลาดับนั้นล้วก็จิงปรากฏว่ายังมีคนอยู่ตั้งสามสี่กลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็เกิดสนใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าใช้ความเพียรพยายามเดินทางไปเฝ้าความธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็จได้รับผลแห่งธรรมเหล่านั้นในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของพวกเขาเขาก็มีความรู้สึกวิษยา ต่อองค์พระพุทธเจ้าในการจองล่างจองผ่านกันด้วยประการต่างๆบางคนที่รู้สึกว่าการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทําให้ตนมีความกระทบกระเทือนในด้านใดด้านหนึ่งเชนลูกไปบวชโดยเสด็จสามีปัญญาไปบวชโดยเสด็จเป็นต้นคนที่อยู่ข้างหลังถ้าเขาศรัทธาอยู่มันก็เป็นเรื่องอีก อ, อยู่ในกลุ่มแรกแต่เขาไม่ศรัทธามันก็เกิดความโกรธ แต่คนเป็นอะมากก็เฉยๆไม่นำพาไม่สนใจปล่อยให้เวลาที่อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าถึงสี่สิบห้าปีผ่านไปโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรกัาเลยซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ความจริงก็คือความจริงเพราะไม่ว่าสิ่งจะดีพิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นคนกำหนดไว้ คนที่ไปกำหนดสิ่งเหล่านั้นมีสถานะพื้นฐานทางกิตวิญญาแตกต่างกันมันก็จะมองกันคนละแง่คนละมุมการมองสากลจึงมีไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมักจะมองในลักษณะแปลกแยกออกไปการมองอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการแยกมอง ก็จะมีการกําหนดความไม่ดีด้วยความดีก็ให้เกิดความชอบความชังเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่รวมหมดแม้ในตัวคนตัวสัตว์หรือสิ่งของต่างๆอาจจะชอบในส่วนหนึ่งหรืออาจจะไม่ชอบในส่วนหนึ่งหรืออาจจะชอบหลายๆส่วนแล้วก็ไม่ชอบหลายๆส่วนออาจจะชังบางส่วนอาจจะยินดีในบางส่วนหรืออาจจะเฉยๆบางส่วนแล้วก็เกิดชอบบางส่วนหรือเกิดไม่ชอบบางส่วน จึงสามารถสังเกตได้เวลาสัมผัสกับอารมณ์เหตุการณ์บุคคลทั้งหลายว่าบางครั้งจะมีการกาหนดแยกในลักษณะนั้นแต่ทั้งสองทางเป็นทางมาของกิเลสเป็นทางมาของความยินดีกินใจหรือจะโต้งรงใช้ในสติปัฏฐานมาสติปนนัฏฐานสูตรว่าเป็นอภิชากับเป็นโทมนั้นข้อปฏิบัติทั้งหมดนั้นต้องการขจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไป อภิชาก็คือก่อให้เกิดความเพ่งนึ่งลบอยากได้ก็สืบเนื่องมาจากความรู้สึกพอใจยินดีในอารมณ์เหล่านั้นที่ตนสัมผัสในขณะนั้นๆโทมนันมนเป็นเรื่องของความรู้สึกยินไรคือไม่พอใจไม่ชอบใจแต่เถึงขับแคลนใจเสียใจก็มีความคิดในแนวปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นแม้คนอื่นจะกําหนดว่าสวยงามอย่างไรก็ตามแต่ตนก็ปฏิเสธ จิตใจของบุคคลนั้นจะขึ้นขึ้นลงลงด้วยความยินดีแต่ความยินร้ายขันคำสอนในเรื่องนี้เพิ่อสังเกตว่าจะมีอยู่เป็นนั้นมากถ้ามองให้ดีมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นบันไดที่นำใจบุคคลให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของการท่าโดยดำดับในกรณีที่เป็นการรวบถือเอ ถมองด้วยความคลายความปรารถนาความพอใจจิตก็จะกำหนัดเพื่ดินชื่นชมยินดีชอบใจพอใจในสิ่งนั้นก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอหังการคือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มัมมังการของเราเป็นอย่างนั้นของเราเป็นอย่างนี้อันบางทีเราจะได้ยินคําเพียงสองคำว่าอหังการกับมัมังการอหังการนั้นก็เกิดขึ้นด้วยมานะเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มัมงการก็เกิดขึ้นแบบหน้ายการตัดหา หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีอยู่แต่ถ้าใจคนไม่มีตัณหาบังการมันก็ไม่เกิดขึ้นมา ก, การสอนจึงมีลักษณะค่อยๆ่อยขัดเกลาไปเรื่อยมุ่งไปสู่ไปใจรักแต่ว่านิ่งๆจะเข้าไปใจรักนั้นมันฝืนกระแสะของกิเลสซึ่งยังมีกำลังเชี่ยวกำลังแรงอยู่ภายในใจขอางหัวคน พระยาจึงมีสูตรที่ทรงสอนให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองพิจารณาอยู่สม่ำเสมอดูจากตัวเองก็ได้ดูจากคนอื่นก็ได้แต่ดูจากคนอื่นมันก็ดูยากนะเพราะก็ไกลตัวเราออกไปก็ดูที่ตัวเราเพราะในอภินาปัจเจเขณะที่เราสวดกันนั้นเพิ่งสังเกตว่าจะช้ชคำว่าเรา เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เรามีการพระพรกจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปนั้นเป็นการแสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในร่างกายที่ยังรวมรวมกันอยู่เพื่อต้องการถ่ายถอนความรู้สึกในลักษณะรวมถือ ให้มองเห็นว่าสิ่งที่เราไปยึดถืออย่างนั้นเอาก็จิงไม่ต้องมองไปที่สิ่งข้างนอกหรอกแม้แต่ตัวเราเองก็จะไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการอย่างที่ทรงแสดงเรื่องความปรารถนาของคนในโลกก็คือปรารถนากันปรารถนาไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากไม่สูญเสีย ไอ้ทัพย์สมบูรณ์บาดเกิดขึ้นแก่ตนเองพกพ้องญาติพี่น้องของตัวเองให้ตายไปแล้ววางเกิดในสวรรค์เป็นต้นก็ต้องการกันมาแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่ใช่พอตั้งความปรารถนาแล้วจะได้ตามที่ตัวต้องการยิ่งเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยมุ่งประกอบต่างๆอีกเพนยรนมากจึงจะเกิดขึ้นได้แต่หลายอย่างแต่ในกระดเดียวกันคนก็เกียรตคราด คนก็มีความเปลี่ยนย่อจอดคนไม่พร้อมที่จะก้าวเดินไปเพื่อสู่จุดหมายปลายทางซึ่งตั้งความรัถนาไว้เป็นอันมาก น, นั่นเพราะเรื่องบางเรื่องจึงปรารถนาไม่ได้บางเรื่องก็สมหวังได้บั่งไม่สมหวังบงั่งเหตุวาทราัพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่เราและพวกป้องในทางที่ชอบธรรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ใช้ความเปลี่ยนพยายามในทางที่ชอบทำ ตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าบุคคลได้สะสมบุญกุศลไว้เป็นอันมากทําจิตใจสงบของแพ้วก่อนจะตายก็ตายไปยังมีจิตที่ผ่องแพ้วมันก็เกิดเป็นสวรรค์ได้แต่แสดงว่าจะต้องสร้างเหตุปัจจัยต่างๆให้เกิดขึ้นมากเสียก่อนและจึงตั้งความปรารถนาได้ อาจาริทรงยกตัวอย่างเห็นว่าบางครั้งมันไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการเป็นคนยากจนกัดสนนาท้าบาราธนาความเป็นพระราชาเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้เพราะเงื่อนไขปัจจัยต่างๆนั้นไม่เอื้ออํานวยให้ตัวเองได้เป็นแต่ถ้าเป็นมกุูดราชกุมารเป็นราชจูรถผู้ใหญ่โอกาสที่จะปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็มีได้ใกล้ขึ้นแต่ส่วนจะสมหวังหรือไม่สมหวังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของอนาคต คือท่านอาจจะตายไปก่อนน อ, อาจจะมีความแปรผันเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแต่สรุปว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งความปรารถนาได้แต่ต้องเตรียมใจไว้ว่าอาจจะผิดหวังก็ได้อาจจะสมหวังก็ได้าการพิจารณาในแนวนี้เึืสังเกตว่าเราก็สวดได้สาธยาได้แต่ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงที่ทรงสอนในพิจารณานั้น แต่ว่าปัจจเวทขณะแปลว่าพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปยกอะไรขึ้นมาสักอย่างก็พิจารณายกความแก่ยกความเจ็บยกความตายยกการพลัดพรากขึ้นมาขึ้นมาพิจารณาแต่ละอย่างให้เห็นในจุดใดจุดหนึ่งให้ชัดเจนประจักษ์แจ้งแก่ใจของตัวเองเสียก่อนแล้วพย้อนไปมองในส่วนอื่นก็จะเกิดเห็นตามคล้อยตามขึม้นไปโดยดั่งดั แล้วก็ปรับจิตยกจิตขึ้นไปสู่วิปัสสนากรรมฐานเพราะแนวการพิจารณาแนวนี้จึงไม่มีรูปแบบว่าจะต้องอยู่ในเรียบทนั้นในจะบทนี้จะต้องนั่งอย่างนั้นอย่างนี้ปัญหาสําคัญอยู่ที่บุคคลมีความเพียรมากพอไหมมีสติมากพอไหมมีสัมปชัญญะมากพอไหมถ้ามีมากพอก็พร้อมที่จีบฉวยอะไรขึ้นมาก็ได้จะเอารูปก็ได้เวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้ปัญญาณก็ได้ ให้เห็นมาจากแจ้งแก่ใจในข้อใดข้อหนึ่งเสียก่อนแล้วค่อยพิจารณาไปในข้ออื่นๆหรือพิจารณาในด้านอนิจจงทุกขังอนัตตาด้านใดด้านหนึ่งเสียก่อนให้เห็นมาจากแจ้งแก่ใจต่อไปนั้นเป็นผลที่ต่อเนื่องกันเพราะตามปกติแล้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน as, ตัตตานั้นจะเกี่ยวโยงถึงกันจึงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตา แต่ตั้งก็มีข้อแม้ว่าว่าสิ่งที่เป็นนัตตานั้นบางอย่างเขาไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอันนี้จังแต่มันเป็นอนาัตตานั้นก็คือมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะตัวนิพพานที่ท่านเรียกว่าเป็นวิสังขารคือมันปราศจากสังขารเครื่องปรุงแต่งคว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงปราศจากกิเลสเครื่องปรุงแต่งแต่นั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลยกข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเช่นยกตัวอย่างพระวิจนาแนวอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที้ยกขึ้นมานั้นอาจจะเอารูปเวทนาสัญญาอะไรแต่บางทีมันเห็นยากเกี่ยวความเปลี่ยนแปลงของรูปมันเปลี่ยนแปลงไปชา้าความเปลี่ยนแปลงของเวทนาบางทีเรากาหนดไม่ได้แล้วก็ติดอยู่ในสุขเกีวอยู่ในทุกข์เพราะบางทีพระเจ้าก็อาศัยอุปกรณ์ข้างนอก มาเป็นสื่อแล้วค่อยน้อมก็มาหาพวกนี้อีกทีนึงเช่นทรงศอนในพิจารณารูปขันท์ทั้งหลายว่าเหมือนกับฟองน้ำซึ่งมีปัจจัยให้เกิดขึ้นแก่ก็เกิดขึ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปแล้วก็แตกทำลายไปถ้ามองกลับมาหาที่รูปเรารูปเราก็เป็นอย่างนั้นจะประณีตสวยงามอย่างไรก็ตามจะอยู่ในวัยใดก็ตาม จะอยู่ในใบเด็กัยหนุ่มสาวใบแก่เท่าแก่ค่ากระเาชนะดินที่บุคคลสร้างขึ้นคือจะอยู่ในระดับใดก็ได้เพาแล้วเรายัางไม่พอกรพาะชนะเล็กกพาะชนะใหญ่อะไรแต่ใดแต่ที่เหมือนกันก็คือจบลงที่แตกทํำลายมีความเสื่อมสลายหรือไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิมอย่างที่ตนเคยไม่เคยไม่มีมา ก, ก่อน มันก็พยายามยกขึ้นสู่วิปัสยยกขึ้นสู่รใจลักไปเจรจ า, ราเทียบเคียงในใจลักนั้นทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายที่ชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามาดูฟองน้ำํำเรามาดูตอมน้ําที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตัอน้ำนั้นจะดับเร็วกว่าฟองน้ำเพราะเหตุปัจจัยนั้นมีไม่เหมือนกันผลเวทนาคือความสุขกด็ดีความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นเนีสลับปนคร่ากันไปสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างก็โปนกันอยู่อย่างนี้วั น, ว, นวันหนึ่งไม่รู้สักกี่รอบแต่จริงๆในขณะนั้นรูปเองก็เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ารูปเป็นวัตถุธรรมที่มีขนาดใหญ่ เราดูความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เคยเห็นเท่าไรแล้วก็มีเครื่องสมางมาประดับประดามาตกแต่งเอาไว้ด้วยแล้วก็ปิดบังความไม่เที่ยงเหล่านั้นเอาไว้แต่เรแต่เราถึงระบบ ก, การหมุนเวียนกันหลเวียนของสิ่งต่างๆทีม่มีการเกิดสืบเนื่องกันมาเนี่ยทําให้เรามองเห็นไม่ได้ชัดเราก็ทรงอุปมาหเห็นว่ารูปเมืองผ่องน้ํำมันตอบน้ํเาเวทนาเมื่อตอบน้นํานะครับ เวทนาก็เกิดอรากันบางครั้งก็สุขได้นิดเดียวก็ทุกข์เสแล้วบางทีทุกข์จะตั้งนานเราจะเจอสุขหรือว่าเจอเฉยเฉยแต่สุขก็อยู่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นทุกข์หรือเป็นเฉยเยก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างนี้ในขณะใดที่มีสุขเวทนาอยู่ในขณะนั้นทุกข์ก็ไม่ปรากฏในกระใดมีมีทุกข์สุขก็ไม่ปรากฏในขณะใดในขณะใดที่มีกลางกลางความสุขความกข์ความสุขความทุกข์ก็ไม่ปรากฏชัดเจนแก่ใจของบุกคน นี้แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนความเกิดดับของสิ่งเหียวนั้นไอ้ทรงสรได้มองสัญญาว่าเป็นเหมือนกับพยับแดดที่ดูใกล้ๆจริงนะมีรูปมีร่างอย่างนั้นอย่างนี้เรามองจากที่ไกลๆก็เห็นใกล้ๆจะจริงแต่ว่าเดินไปเท่าไหร่หรือแม่ขับรถไปเท่าไหร่ให้เร็วเท่าไหร่ก็ตามเราก็ไม่สามารถสัมผัสสิ่งเดนั้นได้เพราะจริงๆมันเป็นเพียงพยับแดดเท่านั้น ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอิตใจเราไปปรุงคิดไปคิดปรุงเอาว่าเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตนแกล้แกล้กับมองก้อนเมฆแล้วก็ไปคิดปรุงเอาว่าเป็นรูปร่างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่จริงม่คือก้อนเมฆมันไม่ใช่สิ่งนั้นๆที่เราคิดว่ามันเป็นทรงสอนในมองสังขารซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมากๆ แล้วเป็นตัวเหตุให้เกิดความยึดบ้นถือบ้นด้วยโดยเฉพาะสังขารในขันทัางงานทรงสอนพิจารณาว่ามันเป็นเหมือนกับก อ, อกกล้วยหรือต้นกล้วยนั้นไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นต้นกล้วยเป็นต้นไม้ที่แปลกเป็นการสอนอารมของกรรมฐานได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นต้นกล้วยนั้นตอนใบเขก็เรียกว่าใบตอง ดอกเขาก็เรียกว่าหัวปรีผลก็ก็เรียกว่ากล้วยลําต้นก็ก็เรียกว่าหยวกมันไม่มีอะไรเป็นของแก่จริงก็มีเฉพาะลูกเท่านั้นเองยังเป็นต้นไม้ที่มีเรียกแปลกเดีียกบต้นไม้ตัวอื่นะสแสดงให้เห็นทึงสัตธรรมความจริงว่ามันไม่เป็นต้นกล้วยแต่เป็นการประชุมของใบตองของหัวปรีของลูกกล้วยของ หยกกล้วยแล้วก็กลายเป็นกอกล้วยขึ้นมากอกล้วยเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งมันก็แตกทําลายไปที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อปอกกลาบออกไปเรื่อยๆจากหยกกล้วยพถึงจุดหนึ่งมันไม่มีต้นกล้วยนี่คือแสดงถึงความเป็นหน้าตาของสังขารต่างๆเอาจึงมันไม่มีอะไรในตัววิญญาณนั้นทรงสอนให้มองเห็นว่าเหมือนกับ ภาพมายาต่างที่มีการปรุงแต่งมีการปรุงคิดมีการคิดปรุงเอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้มันเป็นเพียงมายากาศคือไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงคล้ายๆกระจิงเกาเล่นกลเนี่ยคล้ายๆ จ, จริงแต่จริงๆมันไม่จริงแต่เรามองได้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นเส้นเ ง, งินเส้นทองกันเพื่อไปกดดูก็แสดงมายากล ทั้งที่เจ้าของมาจากคนเองก็บอกว่คนนั้นเป็นของโกหกแต่เราก็อยากอยกดูโกหกล้วก็พยายามจับโกหกไปจับไม่ได้มันก็เชื่อไป็นกเป็นตาเป็นจริงเป็นจังไปนี่คือการเรียนมาจากข้างนอกเสีก่อนแต่ว่าทุกจุดนั้นมองมาเข้าหาตัวเรามองมาดูรูปเราว่าเป็นเหมือนกับฝองน้ําจริงไหม มองมาดูที่เวทนาของเร า, าเป็นเหมือนต่อมน้ําจริงไหมมองมาดูสังขารของเราว่าเหมือนกับพยับแดดจริงไหมมองมองดูสัญญาของเราเป็เหมือนพยับแดดจริงไหมมองดูสังขารของเราว่าเหมือนกับออกกล้วยจริงไหมแล้วมองดูวิญญาณที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกวันนี่มันเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นจากการปรุงมาจากข้างนอกบาง ใจเราไปกำหนดหมายไปแต่พอดีใจเรายอ ม, ยอมรับว่าเป็นของจริงเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นในสิ่งเรานะั้นเพราะการพิจารณาในแนวของอณิจตตาแม้เพียงข้อเดียวเพราะสิ่งเราลั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ขยับกันมาอีกจุดหนึ่งคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ขยับยิ่มาจุดหนึ่งก็คือเกิดเกิดดับๆับดับดับดับไปเรื่อยๆโดยเฉพาะดับมันเกิดมาแล้วเราก็ดับไปเรื่อยๆมีลักษณะไหลก็คัอไหลลงต่ำเรื่อยๆชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็น เพรานแนวกรรมฐานจึงให้ดูเช่นสมมติว่าดูที่เวทนาก็ดูที่ความทุกข์สมมุติว่าปวดเมื่อยก็ดูที่ตัวปวดเมื่อยเราจะเห็นว่าปวดนั้นบางทีก็ปวดมากเก่งบางทีก็ปวดลดลงบางทีก็ปวดตรงโน้นบางทีก็ปวดตรงนี้เอาก็จริงแกไม่อยู่กับที่อะแกเพียงแต่ว่าจะปวดมากปวดน้อยหรือปวดตรงไหนนั่นเองแต่ที่ปวดมันก็ต้องมีอยู่เพียงจะมากหรือน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกกรณีนี่ แต่การต่อไปก็คือว่าการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นเป็นการดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นมันเป็นขณะเป็นขณะคล้ายๆกับนาฬิกาหึือมันเป็นวินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงที่จริงมันเอาวินาทีมาต่อต่อต่อกันหลายวินาทีก็เป็นนาทีเอานาทีมาต่อต่กันแล้วก็เป็นชั่วโมงเอาชั่วโมงหลายชั่วโมงมาต่อกันก็เป็นวัน มันมีลักษณะอย่างนั้นคือมันเป็นขณะขณะขณะขณะต่อกันไปเรื่อยๆคล้ายๆกับกระแสไฟกระแสน้ําก็ที่จริงก็เอาพวกกระแสเหล่านั้นมาต่อกันเข้ามันไม่ได้มีตัวตนที่ไปยึดกันจริงๆคือเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันจริงๆที่จริงมันเป็นจุดเล็กๆที่มาผสมต่อกันเข้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นการดํารงอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่ง กระแสที่มันไหลต่อเนื่องกันมาแค่กระ แ, แสไฟเห็นสว่างนี่มันไหลไหลกันมาเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นเป็นแสงสว่างอยู่ได้เรๆแต่ในช่วงใดขานาใดที่เหตุปัจจัยสิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่มันสงบไปหรือทําลายไปหรือปกคร้องไปเราก็เทือนหมดทั้งกระบวนการเพราะในเรื่องเหล่านี้ก็ส่งสอน เพื่อให้อย่างน้อยก็บุคคลได้บรรเทาอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นตัวนาของกามเราเป็นของเราบ้างดัหนาของทิชิว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจะถือมั่นในรูปแบบพิธีกรรมต่างๆแต่ก็วัดปฏิบัติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขลังอะไรต่างๆตลอดทึงถือตัวถือ ต, ตนเป็นรูปแบบบานะยติกรรม แล้วตามปกติแล้วจะทรงใช้คาัังกาหะสาประการที่กล่าวไว้ในตอนต้นนี้ป่ะที่สมนวนบาลีท่านใช้คาว่าเอตังมามะเอโซมัสมีเอโซ ม, ม, ม, ม, มยตานั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราแน่นอนการจะถ่ายทอ น, นั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าระดับต้นๆก็สอนให้บัรเทาเพื่อจะไม่ให้จิตใจสูญเสียหลักเวลาประสบกับ ความเป็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเธอเกิดขึ้นต้องตับอยู่แล้วก็ตับไปก็แปลเปลี่ยนไปเรืเร่อยๆอิจใจคนจึงฟูขึ้นแล้วพุบลงตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ามีปัญญารู้เท่าทัานนั้นไม่ต้องฟูขึ้นไม่ต้องพุบลงอะไรมันเป็นเพียงกระบวนการตามธรรมชาตินั้น สิ่งที่กอให้เกิดความยินดีนั้นพร้อมที่จะให้เกิดความยินร้ายในโอกาสต่อมาสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจนั้นก็พร้อมที่จะก่อให้เกิดความยินดีในการต่อมาแต่สิ่งที่เฉยๆก็อาจจะพร้อมให้เกิดความยินดีและความยินร้ายตามสมควรแก่การกำหนดของบุคคลในขณะนั้นๆรัะขันทั้ง้าจึงเป็นของไม่เจียง ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อ